นอกจากความรู้สึกจะ เ, เพื่อมออกจากจิต ท, ที่ตนกำลังทาแล้วไปต่อกับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะกลายเป็นธุระอื่นขึ้นมาที่ทจิตใจทีนี้เมื่อเราได้ระดับทาอยู่ในขณะนั้นด้วยความมีสติธรรมะที่ท่านแสดง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 นอกจากเราไม่สามารถที่จะพินิจพิจารณาในความเป็นอยู่ของตนให้เห็นชัดตามเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นจึงหาทางปลดเคลื่องตนเองไปไม่ได้แล้วหาความสงบแก่ตัวเองไม่ได้คาที่ท่านกล่าวไว้ว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่ นี่ถ้าเราจะพูดตามชื่อของอิยศัสตร์แล้วก็เป็นความเคยกินในหูหนในใจของเราเียเป็นขอแต่ธรรมชาติที่ให้ชื่อว่าอิยศัสตร์จะทำทั้งสี่นั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรายัางไม่ทราบ คือความไม่สบายภายในกายก็เรียกว่าอวียสัต์ความไม่สบายใจก็เรียกอรียสัตย์แปลว่าเป็นของจริงอยู่เช่นนี้ใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตามทุกทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอยู่ในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้ตราบใด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 ทำทั้งสี่ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ภายในกายกับใจของเราโดยเฉพาะแต่ละรายละหลายนอกจากว่าเราจะไม่ผุดค้นขึ้นมาตามหลักแห่งธรรมที่มีจริงอยู่เท่านั้นเราจึงจะไม่สามารถ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 ก็ไทยสองพรองค์เจ้าให้หมดเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งได้แก้ให้หมดเสียจริงๆรปรากฏเป็นมิโลทะคือความดับสนิทแข็งทุกขึ้นมาที่ใจจากอริยสัจไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะพูดได้ว่านั่นคืออะไร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 คือมีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่เคยสูญหายไปจากตัวของเราแม้แต่น้อยพบ ก, กระเริ่มตั้งแต่เราตั้งหรือเข้าสู่ปฏิชนิดอินญยาณยมาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังจ ะ, ะแสดงอยู่จนกระทั่งถึงวันอวาสานแห่งชีวิตของเรามีเป็นผู้ประเภทเหนึ่งซึ่งมีประจํากายของเรา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 รากฐานอย่างมัตต์จริงๆก็คือใจนี่เเมื่อใจเป็นตัวหมุนเยียนใช่เองนหะธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็เลยกลายเป็นเครื่องหมุนเยียนไปรําต่ากันทั้งๆที่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเมื่อธรรมชาติตัวหมุนเยียนนี่เข้าไปแทรกถึงอยู่ในธาตุ เหล่านั้นแล้วธาตุเหล่านั้นไลยแปรรูปหรือแปรชื่อจากธรรมชาติเดิมทั้งตนกลายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นอย่างที่เราทั้งหลายเห็นด่ทั้งของคนอื่นและตัวของเราเองนี่ก็คือภาตปีนั่นเองแต่ถูกแปรสภาพมาจากตัวหมุนเวียนตัวเดียวเท่านั้นคือดวงใจนี่ เมื่อธรรมชาตินี้ยังมีอยู่กราบใดจะต้องเป็นกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาดีเช่นนี้และไม่มีวันจบขึ้นแต่ผู้ใดใคร่ต่อการแก้ไขกงจักรด้ยใจของตนเอง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 ไม่มีส่วนใดบกพร่องพอที่จะเราพอที่เราจะต้องไปหาหยิบยืนพ่จะนาทุกจากบุคคลอื่นถ้าเราจะพิจารณาทุกข์จากคนอื่นมาเป็นเครื่องเตือนใจลิกเป็นความเฉลียวฉลาดเครื่องเตือนตนขั้งตนให้รู้ในเรื่องทุกข์ที่มีในตนก็ไม่เป็นการผิดถ น, นัดแล้วแต่ปัญญาของเราจะทาย หลักของสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญสาหรับท่านผู้มุ่งความพ้นคุกในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นถ้าสติกับปัญญาไม่ตรงเทียวกันจะมีตั้งแต่เพียงศรัท ธ, ธาความเชื่อเท่านั้นอาจจะเชื่อไปในทางจิต การดำเนินของเราก็ไม่สม่ําเสมออาจจะกลายเป็นความกระเทื่อมต่อตอนเองแล้วเสีเ่อมไปก็ได้นี่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติท้ายได้ทั้งคำส่วนหยากส่วนกลางส่วนละเอียดท้ายได้ทั้งทั้งภายนอกภายใ น, นองสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้มีความเดลียวฉลาดการดําเนินพระศาสนาจึงเป็นมาด้วยความรา่าบริบน ไม่เป็นรุนุ่มอนๆอนสูงสูงต่ำตําเป็นความสม่ำเสมอสอนโลกหรือสถานที่ทั่วๆไปเราผู้ที่จะดำเนินพระศ า, าสนาก็เช่นเดียวกันพระอาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระอาการไม่เคยประาศ จ, จากความเป็นศาสตราสอนโลก ต้องเป็นครูของโลกเสมอไปจึงได้ให้นามว่าศาสตลาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นศาสจะเป็นศาสตาเฉพาะการประทานอวาทแนะนําสั่งสอนในขณะนั้นเท่านั้นไตรยบททั้งสี่ยุความเคลื่อนไหวอันใดของพระองค์เจ้าต้องเป็นครูของศัตร์เสมอปัปไม่เคยที่จะแสดงพระอากัปกิริยาให้เคลื่อนไหวจากความเป็นศาสตา กลายเป็นความเป็นอื่นไปในพระองค์เจ้านี่จึงให้ชื่อว่าศาสน า, ศาเราก็น้อมเอาพระอาวาธที่พระองค์เจ้าทรงปรทานไว้นั้นเข้ามาเป็นครูสอนตนทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของเราต้องเป็นครูสอนตนตเสมอไปถ้าเคลื่อนไหวไ ป, ไปในทางที่ผิดก็ต้องเป็นครูสอนตนว่า น, นี้คือทางผิดไม่ควรเจะบฝืนไป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 แต่ตัวของเราเองเราอ่านไม่ได้ความทั้งๆ ท, ที่ตัวหนังสือติดอยู่กับอากัปจิยาคือปฏิปทาการดำเนินของเราคนอื่นก็อ่านไม่ความนี่เพราะเราไม่มีความขอะเรรอบครอบในปฏิปทาของเราเราจึงอ่านเรื่องของเราไม่ออกคนอื่นก็มาอ่านให้เราแต่ถ้าคนอื่นอ่านแล้วบอกเราเรื่องราวของเราว่าผิดหรือถูกเรา มีความจำนวนต่อเหตุผลนั่นก็ยังเป็นการดีแต่นี้ไม่ยอมฟังและยังอ่านเรื่องของตัวเองในทางทุสิตเรื่อยไปก็เลยกลายเป็น่องผิดไม่มีเวลาที่จะถูกต้องตามผมทางที่พระพุทธเจ้าทรงสองสอนไม่ได้เลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายทุกทุกท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกัน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 ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญ า, าค่ควรดูปฏิปทาของตนเองแล้วแต่ เ, เหตุที่แจ้งเสียถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิคิบยกมิจฉาสมาธิเดยไม่รู้สึกตัวก็มีอยูหนึ่งมากเห็งภาวนาเข้าไปมองดูเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนดังนี้เป็นๆ น, น, นี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะ โดยเราไม่ต้องไปเท่งเลงหาที่ไหนซึ่งนอกจากหลักสําคัญที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆขึ้นมาได้จากการต้งรวมจิตใจข้างส่วนด้วยสติหรือเราจะพิจนารณานในสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้เคยพิจนารณามาแล้วก็ให้ทําความรู้สึกและมีสติรักษาใจของเราไว้กับสภาวะธรรมนั้นๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่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 เมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบโดยลำดับแล้วจะปิดไว้ไม่อยู่จะเทธิ์นิสัยของท่านผู้ใดที่จะเคยสวนรู้ความเห็นในสิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏขึ้นจากเครื่องของสมาธิที่ความสงบนั้นโดยแท้แต่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหรือต่างๆกันนั้นหาประมาณไม่ได้ ตามแต่จดิดีนิสัยที่จะตําพันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเห็นดังนั้นแล้วเราก็ต้องทําความรู้สึกไว้ในใจของเราโดยเฉพาะหากว่ามีรายใดที่ประดิษระพฤติปฏิบัติและมีความรู้ความเห็นเช่นเดียวกับเรามาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราจะสนทนากันได้ตามสบายเฉพาะ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 ความรู้ความเป็นที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานง้นก็เป็นความจริงแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับความรู้ของเราที่เป็นเช่นนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญญา้าไม่รอบคอบแล้วอาจเสียหายไปหน้าขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลา ย, ลยได้ทราบไว้อย่างนี้หลักสำคัญที่จะทำใจของเรา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 เช่นอย่างเราจะกาหนดลมหายใจก็ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นโดยมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอไม่ให้เครื่องคาดจากลมหายใจที่เรากาหนดไว้เป็นผู้ที่จะพิจารณาในอาการใดซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งกายนี้ก็ต้องให้มีความรู้สึกอยู่กับอาการนั้นโดยเฉพาะเมื่อใจได้รับความสงบ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 แก้ไขกิเลสไปได้ตามกําลังของตนปรากฏเป็นความสูก ข, ขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทนั้นดุจไปจากใจสัญญาส่วนกลางแก้กิเลสตามฐานะของตนหลุดพ้นไปปรากฏเป็นความสุก ข, ขึ้นมาสัญญาส่วนละเอียดได้แก้ไขกิเลสส่วนละเอียดไปจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นความสุก ข, ขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่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 จะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาตมีเป็นความเชื่อที่จะทําใจของเราให้มั่นคงต่อศาสนะธรรมหรือต่อหลักความจริงที่โระงเจ้าตรงประทานไว้แล้วคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงของใจง เมื่อใจได้รับความสงบจะชั่วระยะเวลาเล็กน้อยก็ปรากฏเป็นความมั่นคงขึ้นมาในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกสมาธิแล้วมีความมั่นคงเป็นลาหนาักัำหนักเรื่องของปัญญาพิจารณาไกรกรเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้ว เราจะไกด์กรองตามสภาวะผลใดซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราหรือนอกไปจากร่างกายของเราลงในตรายรักพื่ออานิจจังคุกขังอนัตตาให้เห็นด้วยจากด้วยปัญญาของเราคำว่าอานิจจังก็ทั่วทั้งโลกธาตุเต็มไปด้วยสภาวะที่เป็นอานิจจังเท่านั้นนี่ไม่เคยบกท่องตลอดการไม่ไหน ทำมาทุกขังก็เช่นเดียวกันใครอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกเดือดร้อนไอเราตัวของตัวของเราเองซึ่งนั่งอยู่นับบัตรนี้พวกก็ประจกักษ์อยู่กับใจของเราไม่เคยบกช่องไปไหนอนาตตาเราเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ ตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาเป็นตูของเหนาหิจะหาอัตราจากดินน้ำฝนที่ไหนได้ถ้าพูดถึงใจก็เป็นตัวปงจากอยู่แล้วหมุนไปหมุนมาตามพบตามชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าคุกแล้วคุกเล่าไม่มีราไรจบสิ้น นี่ก็คือองจักร้องใจหมุนตัวเองให้รับความทุกข์ความดันร้อนแล้วเราจะเอาอัตราจากธรรมชาตินี้ที่ไหนมีการพิจารณาด้วยสัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความ ท, นทนานิทานานเกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาของตนว่าเป็นอย่างนั้นจริง ด้วยปัญญาของเรานี่ความสุขของใจก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจเป็นลำหนับลำหนับนับตั้งแต่ความสุขขั้นอยาบจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดได้จากความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขจิตเียดให้หมดไปจากใจไม่มีเล ธรมะพระพุทธเจ้าตรัสรุท่านตรัสรุที่ไหนก็ตรัสรุลลในวงแห่ง อ, น, อ, น, อนัตต์ไตลักษณ์ที่เอ็ดทามาในพุทธนาตรายลักษณ์แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้เพราะ น, นั้นตรายลักษณ์จึงเป็นเส้นทางเส่นทางเลยเหมือนอย่างถนนของทางอย่านี้ สีนจะมาที่ปัญญาเหมือนกันกับเราผู้ก้าวไปตามขนทางนั้นถ้าจะมีตั้งแต่ขนทางไม่มีผู้ก้าวไม่มีผู้เดินขนทางก็เป็นโมฆะด้วย น, นั้นเรื่องไตรลักษณ์กับศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมทั้งพันจิตเนื่องกันแต่ก็ไม่ใช่ เป็นตัวมรรคผลมิพานด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งสองตระกษัตริหรือทั้งสองตระเภัตริยรักก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลมิพานศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลมิพานแต่เป็นเครื่องดําเนินไปตามของทางคือไตรรักเครื่องดําเนินได้แต่ศีล ส, สมาธิปัญญาเมื่อไปถึงที่อันก็เสืมแล้ว ก็ปล่อยไว้ตามสภาพทั้งหนทางทั้งเครื่องํำเนิใไปถึงที่หมายถึงถึงที่ถึงที่ไหนแล้วเราเดินเราจะเดินไปเพื่ออะไรตามธรรมดาของใจยอมเห็นแตรลนะักว่าเป็นตนกสเหมอต่า การที่คลายดูตจรัะให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นการปล่อยวางในไตรักได้เป็นลำดับไปนี่เมื่อปล่อยวางในสภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้จนไม่มีอันใดเหลือแล้วนั่นเป็นจุดที่เราถึงทรียกว่าถึงหมายถึงอย่างนั้นเลย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 เมื่อสรุปความลงแล้วอริยสัจ ท, ทั้งสีคือทุกสมุทยมัยมโรอดนะแต่ละอย่างละอย่างกลาเป็นของจริงแต่ตามสภาพของตนคือไม่มีการตาหนิติผมในอริยสัจนี้เพราะตามธรรมดาอริยสัจจะต้องมีทั้งฝ่ายตาหนิมีทั้งฝ่ายผม ภคกตมุทายเป็นฝ่าที่ควรจะตนินิโรดมักเป็นฝ่าที่จะควรทมเถิดแต่เมื่อได้พันอายะสัตทั้งสี่นี้ไปแล้วอยกว่าเห็นอายะสัตตามความจริงความต น, มนิสิทมในสัจธรรมนี้ก็หมดไป นั่นเราจรึงจะมีความสบัดทาจิเได้นำเนินให้ถึงขั้นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเองตาหูจมูกกินกายใจซึ่งเคยเป็นท้าติบต่อเรามาเป็นเวลานา น, านก็กลายเป็นของจริงขึ้นมา รูปเสียงกินนวเครื่องสัมผัสที่เราถือว่าเป็นคู่ค่าศึกต่อตาหูจมูกล่างกายและใจของเราต่างก็กลายเป็นของจินไปตามๆกันเพราะใจไม่เป็นภัยต่อตนเองสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็น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 อยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในวัดว่าอาวจะนั่งจะนอนในยบททั้งสี่มีแต่ทุกข์แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงลงไม่ได้เขาเรียกว่าทำตัวให้เป็นคนมีโลกแคบอยู่ที่ไหนก็ไม่สมายทำตัวของเราให้เป็นโลกกว้าง ขวางออกไปก็คืออยู่ที่ไหนมันสบายเพราะตัวคิดมันหมดไปแล้วจากภายในใจธรรมวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในใจก็จะเป็นวัตจักรได้ในเวลาที่ตนยังลุ่มหลงอยู่เท่านั้นเมื่อตอนได้รู้สภาพนั้นด้วยปัญญาแล้วสภาพนั้นจะเป็นกองจักไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้ คำที่ว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรจิตตามธรรมดาต้องเขย่าตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็หาเรื่องมารูปเสียงกลิ่นนวดเรื่องสัมผัสมาเขย่าจิตใจของเราให้คงแท้ที่จริงใจของเราก็ะเพื่อมไปสู่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวคือทําความกระเพื่อมแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาความเที่ยงทําไม่ได้ แล้วพระนิพพานจะเที่ยงได้ที่ไหนเมื่อใจได้ทรงความรู้อันบริสุทธ์ไว้ภ า, ายในตนเองแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสภาวะทั่ ว, วไปจะให้ชื่อวันนี้พานเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้เป็นเช่นนั้น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 มีสองกับอารมณ์เสมอไปแล้วจะหาความสุขที่ไหนภายในใจของตนเองนะข้อใจไม่เคยเป็นอิสระเสรีในตัวเองต้องอาศัยพึ่งพิ ง, พงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเรียกว่าใจเป็นสองอยู่เสมอไม่เคยเป็นอันเดียวเมื่อเราได้ชำระจิตใจของเราจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องพึ่งพิ ง, พงสิ่งใดทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขสมบูรณ์ภายในใจขึ้น หลักที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสงบขอให้ตั้งสติให้ดีปัญญาต้องค่อยควรเสมอไปปัญญากับสมาธิให้มีความสัมพันธ์อยูเนื่องกันคือให้ใช้ปัญญาในเวลาที่จะควรใช้ให้ทำสมาธิในเวลาที่จะควรทำ ไม่ปล่อยไปทางสมาธิโดยทางเดียวให้มีความสัมพันธ์กันไปจนนี้ตามการอันควรที่ว่าจะเป็นผู้รอบครอบในปฏิปฏาทาของตนสมาธิถึงทราบว่าเป็นธรรมอาศัยส่วขค่ะนี่เมื่อถึงขั้นปัญญาที่จุดปัญชายจริงๆแล้วต้องทราบสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่ในขั้นที่จะอาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก็ต้องพยายามทำให้สงบมากๆเพราะเราทำงานก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบริโภครื อ, อุปโภคไม่มีสิ่งอย่างนี้ไม่ได้เรื่องจะดำเนินในทางธรรมะถ้า ม, มีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้าใจก็เป็นไปไมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นธรรมจาเป็นสาหรับผู้ดาเนิน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 ไม่สะดวกแล้วอยู่ที่ไหนก็ให้สาบายทั้งนั้นเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนทำมาไฟนรกอเวจีที่ไหนมันเราได้ยินแต่ชื่อแต่ไฟที่เดดตันหาสร ะ, ะซึ่งมันเผาลมอยู่านในจิตใจของเรานี้ไม่ค่อยจะมีชื่อแต่ปรากฏอุู่กับใจของเราเพียเอกมีธรรมละไฟอันนี้ให้ได้ จะกลายเป็นผู้มีความร่มเย็นขึ้นมาในตัวของเราให้เป็นทราบว่าธรรมะทั้งน่านปฏิปทาเครื่องดําเนินแลผลที่จะถึงได้รับจากปฏิปทาเครื่องดําเนินของเรานั้นเป็นปัจจุบันนธรรมอยู่เสมอภายในกายปิจิของเราธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไปรวมดยู่อดีตหืออนาคตโด ย, ยเดียว แม้จะเป็นนิยมก็เป็นส่วนของเราหรือของคนอื่นที่ผ่านมานี้แต่ปัจจุบันที่เป็นรากฐานสาคัญมีอยู่กับตัวของเราเสมอไปจงพยายามพิจารณาผู้ได้มีความขยันห ม, มั่นเพียรในการพิจาร ม, มาด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับองค์คว า, ามเพียรให้ตนเสมอไปแล้ว คู่นั้นแหละจะเป็นไปด้วยความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดธาตุไหนๆเพราะทุกมีอยู่กับหัวใจของเราไม่เคยให้ชื่อให้นามว่าธาตุไหนพบไหนมีอยู่กับใจของเรานี่โดยเฉพาะเมื่อเราได้แก้ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะมีปัญหาอะไรกับธาตุนู้นธาตุนี้หมดปัญหาไปแล้วมันก็เป็นคนดีด้วยความสบาย ไม่มีเครื่องเกาะเกีเ่ยวเป็นอิสระในตวเองหนักหลักในผลนียู่ที่นีเราอย่าไปคาดหมายว่ามักผลนี้ผานจะดีในที่แห่งใดทุกอยู่ในสถานที่ใดเพิ่งทราบว่าสุกก็ต้องมีสถานทีนน่เหมือนอย่างมือกับแจ้องอยู่ในที่แห่งเดียวกันนี่แหละกับธรรมก็เช่นเดียวกัน สุขกับทุกข์ก็อาศัยกันดินเมื่อแก้ให้จนหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาเผาลงใงใจของเราก็เพราะมันหมดกปะแลถ้ามีอยู่ถึงจะปังคับไม่ให้มีมันก็ต้องแสดงขึ้นมา mm hmm. การประกอบความเพียรทุกประโยชน์ mm hmm. เป็นการที่จะแก้ที่หิด mm hmm. เรื่องวุ่นวายหัวใจของเราให้หมดไปเป็นลำดับๆเท่านั้น ผลเมื่อเหตุได้ประกอบให้สมควรนะจะต้องแสดงขึ้นมาเป็นระดัแบบให้เพียงพอแก่เหตุที่ทำไม่มากน้อยเมื่อเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็ต้องสมบูรณ์นี่นี่อยู่ที่ตัวของเราท่าบางครั้งบางคราวก็ลำบากการปฏิบัติจิตใจ พ่ออย่างยิ่งการฝุกผลเบื้องตน้นเป็นการลําบากมากบางครัง้งจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเรามีบุนน้อยว่าศาสนา น, อน้อยไม่สมควรจะศาสนธรรมหรือไม่สมควรจะมรดกมิถานของพระโพ ธ, ธิสัตว์เมื่อเป็นเช่งนั้นแค่แต่ว่าศาสนาจะมีอยู่เฉพาะบุคคลที่มีบุญบุญวาสนามากเท่านั้น แค่ที่จริงศาสานาหรือคำสอนคงพฏิบ้าิไม่ยมบุคคลผู้มีวาสนาน้อยหรือมากนิยมกับบุคคลผู้ตั้งใจกปฏิบัติผู้มากก็ต้องไปจากการอรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากนะ เมื่อได้รับความสงบเข้าไปบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสะดวกสมาายิงไปถึงขั้นสมาธิที่ละเอียดและขั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการพปิุิจารหานั่นแล้วความปุดเครืองหรืยความลำบากที่เราเคยเป็นมานั้นจะเป็นไปคนละมุมเลยกับความดสะดวกซึ่เป็นไปอยู่ในขณะนั้นด้วยปัญญา เป็นอัตโน ม, มัติขึ้ตัวไปเองเมื่อถึงขั้นที่ความเกลียดแค้นจะหมดไปคก็จะแสดงให้เรารู้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นสติเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ตามเป็นสติทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าสติอัตโนมัติปัญญาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ตามมันเป็นปัญญาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีที่มาสัมผัสที่จะให้ แสดงหรือเตือนปัญญาให้ตกเคลื่อนตัวออกมานั้นก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งทั้งหลายจะไม่มาสัมผัสเรื่องของปัญญาซึ่งเคยมีความเคยกินต่อตนเองอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งเย็เยนเสียสลับเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าขั้นที่มีความเคยกิเลสได้แก้ไปมากน้อยรู้ทัดภายในใจยังเหลืออะไรบ้างรู้หมด มันรวมตัวเข้ามาแล้วถ้าก่อนที่เละมันเป็นพืชไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อได้ถูกปัญญาตล่อมเข้ามาตล่อมเข้ามาตล่อมเข้ามาจนปรากฏอยู่ที่จิตตัวเดียวนี่แล้วก็ท่ามัดแสดงขึ้นขณะไหนก็รู้ว่าจิตตัวของเรามันเป็นแสดงที่เละซึ่งเกิดขึ้นจากตัวของจิตเอง นี่่านนี้เป็นขั้นที่เพิเ่งเคยความขยันมันเพียงก็มากปัญญาก็จะเลี้ยฉลาดทันก็ผิดการก็หมอไปอเนี่ยพิจารณาด้วยอำาจของปัญญาที่มีความเตี้ยกล้าและมีความทำงานทเท่าไหร่นี่เลยก็ต้องขาดไปขาดไปเป็นลำหนักลำหนักเสร็ก็ทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือก็รู้ขึ้นในขณะนั่นเอง คำว่ปัจจตังเมยดตัปโ บ, บจะหมายถึงเรื่องอะไรปัจปจตังก็รู้มาเป็นลําดับเหมือนกันตัง้งแากขั้นของสมาธิที่เริ่มตัวเป็นความสงบขึ้นมนาก็เป็นปัจจตังหรือเป็นสันทิปโกเห็นเอง้วยตัวของเราเองเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงจิตเรศมันหมดไปในขณะไห น, านาก็ต้องรู้วิวุตตาสองสารซึ่งรวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้เราเคย แบกเป็นภาระมานานแตกเท่าไหร่มีความหนักน่วงท่วงกับจิตใจของเรา ม, ามามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทราบสิูภายในใจเท่าไรเมื่อภาระอันนี้ได้หลุดไปจากใจปรากฏเป็นจิตระขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิตตะโบอย่างไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าและสาวก ท่านรู้ในองค์ของท่านท่านก็ต้องรู้โดยปฏิปทาของท่านที่แก้ไขามาเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นพุทธโธขึ้นมาทั้งดวงภายในพระไถ่ของพระพุทธเจ้าและในใจของสาวกก็ต้องรู้ทัศน์ิทธิภายในใจของท่านซึ่งเกิดขึ้นในขณนะ น, นั้นธรรมาพุทธโธนี้จะ ต, ตามพระพุทธเจ้าไปนี้พ่านหมด ตามภาสาโมกตามภาษาโมกไปนี้ผ่านหมดแล้วหรือว่าจะยังเหลืออยู่สําหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งหน้าปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้อันนี้เขาจะทํารถทํานาเครื่องยนต์กลไกทุกๆประเภทเขาจะต้องทําขึ้นกับเหล็กทั้งรุ่นเดียวกันนีอความรู้ของเราเวลานี้ก็ยังเป็นความรู้ทั้งรุ่นเลยเมื่อได้ถูกจรณาด้วยความภาคความเพียรก็จะกลายเป็น ผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาตามขั้นแห่งความภาคความเขียนด้วยความตลาดของเราจนกระทั่งถึงได้ประโยชน์เต็มที่ปรากฏเป็นพุทธโธขึ้นมาในใจของเราทั้งดวงธรรมะทั้งหมดก็เป็นเครื่องจะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าสึกต่อใจของเราอยู่นี้เองเมื่อแก้ไขจงหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพุทธโธนี้ก็จะแสดงขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจของเราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวค่ะ อยรยสัจเป็นเส้นเดียวกันศีล ส, สมาธิปัญญาก็เป็นเส่นเดียวกันมีหน้าที่แก้กิเดียดประเภทเดียวกันเมื่อกิ่เดียดหมดไปแล้วจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าวิมุติจะเป็นอื่นขึ้นมาจากพุทธิจ้าวิสาวกได้อย่างไรเล่าก็ต้องเป็นเส่นเดียวกันเพราะต้นเหตุเป็นอันเดียวกันผลต้องเป็นอันเดียวกันขอบรรดาท่านทั้งหลายได้คิดนพิพพาน ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่กงกว่าหัวใจของเราและมันมีอันใดที่จะมีเป็นความหยากช้าละมกยิ่กงกว่าหัวใจดวงนี้แล้วแต่เราจะอบรมให้ไปทางไหนเวลานี้เราจะอบรมใจของเราให้ปรากฏเป็นใจที่มีคุณค่ามีราคาเพิ่มสูขงขึ้นเราจงเห็นความท่าความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นของมีคุณค่า ถ้าจะมอเห็นทาทั้งหลายแล้วนี้เป็นคุณค่าแม้เราจะถิดว่ามรรคผลนี่ทานเป็นคุณค่าก็ยังเป็นโมฆะสำหรับเราอยู่นั่นเองเพราะต้เหตุกองผลเป็นความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันถ้าเราเห็นผลว่าเป็นของมีคุณค่าเราก็ควรจะเห็นเหตุคือการในสำหรับว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นทำสัาพัญเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าและสามวจจะปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้นมาให้เราถนัดได้กล่าวบ้างท่านจะเห็นคุณค่าในปฏิปทาเครื่องมือของท่าน เพราะนั้นท่านจะมีความเฉลี่ยฉลาดไม่มีความทอดแท้อดเลยในข้อวัดปฏิบัติไม่กลัวเป็นกัวตายไม่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวละหมาดอะไดทั้งนั้นมุ่งหน้าที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญพระองค์เจ้ามีสามุกให้พ้นไปโดยท่ายเย็บจนพ้นไปเกียไม่ต้องกลับมาเวือนไหวตาเกิดอยู่ในโลกคงจกักรนี้ การแสดงธรามก็อย่มามองแป่พอเพียงเท่ี้ขอให้มนตรีท่านทุกฝั่งทุกอย่าง ไ, ได้น้อมเข้าไปเป็นธรรมเครื่องสอนตนทุกๆ ท, ท, ท่านและธรรมะทั้งหมดที่ท่านสแสดงนี้อยากเข้าใจว่าท่านสแสดงให้ใครฟังให้เข้าใจว่าสแสดงให้เราฟังและแก้ไขเราเองมรรคผลที่จะปรากฏขึ้นภายในใจของเราตามกําลังความสามารถก็จะเป็นของเราทุกๆท่าน ขอความสำหรับดีจะมีแต่ท่านทุกคนทุหทุกคน